มันเหมือนกับอะไรนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขมีแบบตามชนบทต่างจังหวัดไม่ใช่น้อยอย่างสมมติว่าสามีเนี่ยนักกู้นักยืมภรรยาเนี่ยก็ช่วยสามีทํางานว่ามีอย่างสามีบางครอบครัวเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเนี่ยนะเช่นว่าเอาจะทํานาแล้วปีนี้ไปกู้เงินเข้ามาก่อนนะไปกู้เงินเข้ามาก่อนดอกเบี้ยมหาโหดพอกู้เงินมาเสร็จเนี่ยนะไม่มาถึงบ้านระหว่างทางเนี่ยนะ หัวขี้เมาทั้งหลายก็ไปเลี้ยงฉลองเพื่อนมาเรื่อยจนหมดเงินเนี่ยนะหรืออาจจะเหลือหรือแทบไม่เหลือเลยกลับมาถึงบ้านแปลว่าต้องทํางานคู่กับเมียสองคนเนี่ยนะใช้เงินแต่ก็เรียกว่าทำงานใช้เงินทั้งปีทํางานทั้งปีเนี่ยเพื่อไปใช้หนี้คืนเรียกว่าเขาก็เอาเข้าวเปลือกเอาซับเอาอะไรไปบ้างหรือบางทีปลูกปอปลูกปาหันปลูกอะไรสามีก็ไปกู้มากู้มาแล้วก็ไปเล่นการพนันซะหมดตัวเลยเนี่ยพอหมดเล่นหมดตัวปั๊บก็สองคน ผัวเมียก็มาทํางานทีนี้ผัวก็ทําไปเมียก็ด่าไปทําไปก็ด่าไปทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละไม่มีใครเหลือไม่มีเหลือเลยก็นั่นแหละพันสามีที่เรียกว่าไปกู้นี่แล้วก็เห็นแก่ความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะโอ้โอีกหลายคนก็เหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะพอหนักๆเข้าลูกก็ไม่มีการศึกษาเพราะว่าเอาเงินไปโปรยให้กับเหล้ายาปลาปิ้งหมดเอาเงินไปโปรยไว้กับการพนันหมดในที่สุดก็หมดตัวเนี่ยนะ ครอบครัวก็มีแต่นี้สินนั้นชาวชนบทไม่ใช่น้อยนี่สินเนี่ยมันเกิดเพราะอย่างนี้นี่สินเพราะหน้าใหญ่แล้วก็หน้ากว้างเนี่ยนะหน้าโตหน้าบานเสร็จแล้วก็เฉาตลอดนะบานอยู่แป๊บเดียวที่เหลือหน้าเฉาตลอดเลยนะเหี่ยวกร่ำแดดกร่ำฝนเนี่ยนะตามทั้งหลายเนี่ยมีโทษมากเช่นบกที่เล่ายาปลาปิ้งทั้งหลายแะไรเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีโทษหน้าบานหน้าใหญ่หน้าโตเนี่ยนะอย่างสมัยใหม่อย่างพิธีงานศพทั้งหลายเนี่ยบางทีเนี่ยจัดงานศพเนี่ยแล้วก็หน้าบาน พอหน้าบานคู่นี่ยืมสินเนี่ยศพของคือไม่รู้ว่ามันจ่ายฐานะครอบครัวมีรายได้เดือนละประมาณสองสามพันบาทเนี่ยนะจะจัดงานศพเนี่ยรายได้เป็นเสียหมื่นเนี่ยนะหมดไปหลายหมื่นพนธ์ทำงานสองปีแล้วใช่นี่งานศพไม่จบเนี่ยนะหรือไม่บางทีเนี่ยถ้ารายได้สักเดือนหลายพันหน่อยก็งานศพเนี่ยจ่ายหมดเป็นแสนเนี่ยนะพนธ์งานศพแล้วเขาบอกโอ้ยไม่ต้อง3วันหรอกสิวันยังไงนะ ติดนี้เป็นแสนบานเบอรหัวโตวเลยคันเนี่ยพันธก็นี่ก็กลายเป็นว่าก็คนตายเผาคนเป็นเนี่ยนะไอ้คนเป็นนั่นแหละโง่เขาไปสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนอ้างความกระตันอยู่เนี่ยนะพันก็เลยทําบาปกันเยอะแยะไปหมดเลยเ ล, เล่าหมดเล่าไม่รู้กี่ขวดต่อกี่ขวดวัวควายล้มตายไปไม่รู้เท่าไหร่หมูตายไม่รู้เท่าไหร่อ้างว่าทําบุญเนี่ยนะอ้างว่าทําบุญพันเปื้อนบาปแล้วชีวิตก็มีแต่ความตกต่ํามีแต่ความล้มเหลว เพราะอะไรว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกามกามทั้งหลายที่มีโทษมากเนี่ยนะมีโทษมากมีความน่ายินดีมีความน่าเพลดิดเพลินน้อยแต่อริฏฐาพิสูจบอกมันไม่มีโทษออกมาเน่ยไม่เป็นร้าย ม, มีโทษไร้รอกเนี่ยนะตรงกันข้ามกับคำสอนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอริฏฐาถึงจะถูกพระพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ ก็ยังยึดมั่นทิฏฐิอันชั่วนั้นด้วยกำลังแห่งทิฏฐิทิฏฐินั้นเป็นทิฏฐิที่มีกำลังไปแล้วเป็นทิฏฐานุสัยไปแล้วรุนแรงเป็นความคิดที่ซึมซาบเรียกว่าเข้าถึงจิตถึงใจไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ยังยืนยันตามเดิ ม, มา่าท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการที่ทำทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่าเป็นธรรมกระทําซึ่งอันตรายธรรมละเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงเนี่ยนะก็ออกมาคัดค้านอนุรักษ์นิยมเอาไว้ตามเดิม ในการใดแลพิสุเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะปลดเปลื้องอริธาพิสุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรง้งจากทิฏฐิอันชั่วนั้นกาละนั้นพิสุเหล่านั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาสแล้วก็นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิฏฐิอันชั่วเห็นตานี้บังเกิดขึ้นแก่อริธฐภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแร้งว่า ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการที่เป็นธรรมทั้งหลายที่พระองค์ตรัสว่าเป็นอันตรายธรรมะเหล่านั้นไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ส่องเศษได้จริงนะซึ่งพระพิสุก็เล่า ว, ว่าได้พยายามเข้าไปเพื่อให้อริ t h พิสุเกิดการชี้แจงและไปให้อริ tha เนี่ยแก้ไขแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ท, ท, ทั้งที่ไปกล่าวสอบไไล่เลียง โดยประการต่างๆตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะนะชี้โทษของกรามเป็นต้นซึ่งอริธาพิสูนนั้นมีทิฐิที่มีกำลังและไม่สามารถแก้ไขปลดเปลื้องได้พระเจ้าขา่านะก็อย่าลืมว่าที่พระพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบเนื่องจากว่า ทิฏฐิอันนี้ไม่เป็นอุปการะต่อศีลเลยไม่เป็นอุปการะต่อสมถะและวิปัสนาไม่เป็นอุปการะต่อการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นไม่เป็นอุปการะต่อการกําหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคไม่เป็นอุปการะต่อพระศาสนาเลย น, นะคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็มากราบทูลเนื้อความนั้น พระองค์ก็ตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาว่ามานี่ภิกษุเธอจงไปเรียกอริ t h ภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรง้งมาตามคําของเราว่าพระศาสดาเรียกท่านภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปหาอริ t h ภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรง้งถึงที่อยู่กล่าวว่าท่านอริ t h พระศาสดาเรียกท่าน อริ tha พิสุก็รับคําภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาสกราบแล้วก็นั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับพิกษุอริ tha พิสุผู้เป็นเหล่ากอของคนข่าแรงว่าอริ tha ได้ยินว่าทิฐิอันลา ม, มกเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแก่เธอว่า ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วว่าอกุศลธรรมที่พระองค์ตรัสว่าเป็นอันตรายธรรมะเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงอย่างนี้จริงหรือไม่อริธาพิสุก็กราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้ะคนยิ้มหน้าชื่นตาบานเลยนะตอนหน้านะคือคือเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้ามีบุญพระองค์ได้เจริญไอสัตว์จะวาจานี่มามากพระองค์เจริญสัมมาวาจามามากเพราะนั้น คนที่จะพูดกับพระองค์ต้องพูดแต่เฉพาะความจริงเท่านั้นเมื่อพระองค์ถามแล้วต้องตอบด้วยนะไม่ตอบก็ไม่ได้ต้องตอบอย่างเดียวและต้องตอบเฉพาะความจริงก็เลยรับพระจริงพระเจ้าค่ะทีนี้พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนโมคาบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครนะเราแสดงเรื่องนี้สอนใครใครได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ว่างั้น บอกว่าเธอได้ฟังมาจากเราสอนแก่เทวดาสอนแก่มนุษย์สอนแก่พระพรหมเป็นต้นหรือได้ยินมาจากไหนเนี่ยไปฟังมาจากไหนทำทั้งหลายที่เรากล่าวว่าเป็นธรรมกระทำซึ่งอันตรายโดยอเนกปริยายไม่ใช่หรือก็แหละธรรมเหล่านั้นสามารถทำอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงเรากล่าวทำกล่าวกลามทั้งหลายว่ามีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแคน ม, มาก โทษในกามทั้งหลายนั้นนะมีอยู่อย่างยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยร่างกระดูกด้วยชิ้นเนื้อด้วยคบญ้าด้วยล้มถานเพลิงเปรียบเหมือนความฝันเหมือนของข อ, งของยืมเหมือนผลไม้มีพิษเหมือนเขียงหั่นเนื้อหรือเขียงสับเนื้อเนี่ยนะเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนหัวงูพิษมีทุกข์มากมีความคับแคนมากโทษในกามทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่อย่างยิ่งดูก่อนโมฆะบุรุษเธอกล่าวตู่เรา โตก็คือหลอกใช่ไหมหลอกลวงอ่ะนะเนี่ยเป็นการหลอกลวงเราต่อหน้าเราเลยนะเนี่ยเป็นการหลอกลวงเรียกว่าหลอกลวงพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยนะเรียกว่านักลวงยิ่งกว่านักลวงอย่างเงีนยเธอเนี่ยขุดตนเองขุดอะไรนะขุดกุศลธรรมของตนเองหมดแล้วนะถ้าเปรียบเหมือนเงินก็ไดเอามาพลานหมดแล้วถ้าเป็นนักพนันก็ ดึงทุนที่มีอยู่เนี่ยนะทาขายทรัพย์สินพานหมดแล้วเธอจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยทิฏฐิอันชั่วนั้นทิฏฐิอันชั่วความเห็นที่ชั่วร้ายตัวนี้นี่แหละจะประสบบาปไม่ใช่มากน ะ, ะจะประสบบาปเป็นอันมากเพราะอะไรเพราะทิฏฐิที่ตนยึดถือเอาไว้นี่ชั่ว กรรมชั่วที่เธอสมท า, านนี่แหละจะมีเพื่อเธอเนี่ยนะจะมีแก่เธอเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานเธอเนี่ยทำลายหนทางเรียกว่าตัดทางแห่งสวรรค์ตัดทางแห่งพระนิพพานหมดแล้วเหลือแต่ทางแห่งอบายทุคติวินิบัตนรกเหลือแต่ทางแห่งวัฏฏุกเหลือแต่ทางแห่งชาติชราและมรณะเนี่ยนะซึ่ง ใครที่ถูกต่อว่าอย่างนี้นก็ถือว่าหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะแล้วตอนหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เป็นาศาสดาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกและพระพุทธเจ้าเป็นคนบอกว่าเธอเนี่ยนะขุดตัวเองเรียบร้อยแล้วนะขุดอะไรขุดมรขุดผลขุดพระนิพพานทําลายตัวเองแล้วก็ตัดทางสวรรค์ทางพระนิพพานเหลือแต่ทางอบายทุกขติวินิบารนารกครั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเรียกที่สูตทั้งหลายมาว่า คือก่อนที่พระองค์จะเรียกพิสูจทั้งหลายเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยอริ tha พิกษุตอนที่ถูกพระพุทธเจ้าตําหนิว่าดูก่อนโมฆะบุรุษเนี่ยนะดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทาเธอเนี่ยเธอเนี่ยกล่าวตูเราขุดตนเองเธอประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยทิฏฐิอันชั่วอันตนถือเอาชั่วแล้วกรรมนั้นจกมีแก่เธอเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกสิ้นกาลนานอริ tha พอฟังจบปั๊บคิดว่า ถึงพระผู้เจ้าจะเรียกเราว่าโมฆะบุรุษแต่เธอจะไม่มีอุปนิสัยแห่งมรรคผลด้วยเหตุแต่เพียงตัดพระองค์พูดแค่ว่าโมฆะบุรุษอพูดแค่นี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีอุปนิสัยมรรคผลนะ น, น, นะเขาเขาก็อะไรความที่เขาเนี่ยก็ถือว่าเรียนมาเยอะนะคือเขาคิดว่าพระพระผเจ้าเรียกเขาโมฆะบุรุษก็จริงอยู่แต่เขาไม่ได้แปลว่าเขาหมดอุปนิสัยมรรคผลก็ดูสิพระอุปเสนเนี่ย น, นะ พอบวชมาได้หนึ่งพรรษาท่านก็เป็นอุปชาตอนหลังก็มีลูกศิษย์เข้ามาหายเยอะแยะเลยเข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เรียกโมฆะบุรุษพระอุปเสศตอนหลังท่านพยายามท่านยังปฏิบัติจนได้อภิน ญ, ญาหกดูสิแม้เราเองก็เหมือนกันนะเราจะปฏิบัติตามคำสอนให้บรรลุถึงพระองค์เรียกเราโมคะบุตรก็ช่างเถอะเนี้เยเราก็ปฏิบัติก็บรรลุแลว้วเหมือนน พระพุทธเจ้านั้ น, นเมื่อจะทรงแสดงความที่อริฏฐาพิสุไม่งอกงามในศาสนานี้เลยเหมือนใบไม้เหลืองที่หลุดออกจากขั้วก็เลยตรัสพระธรรมเทศานานี้นนนว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไงเออก็อริฏฐาพิษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงจะกระทำญาณนะ ให้สูงขึ้นในพระธรรมวินัยนี้ได้หรือเขาจะมีปัญญางอกงามเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นใช่ไหมนะเจริญงอกงามในพระาศาสนานี้ได้ไหมอาทิปัญญาสิกขาทั้งหลายนักทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณาวิสุทธิมัคคามัคคายานัทสนาวิสุทธิปฏิปทายานัทสนาวิสุทธิโสดาปฏิมัคสกธ า, าคามิมักอานาคามิมักและอรหัตมักเขาจะสร้างให้เจริญขึ้นเติบโตขึ้นอย่างนี้ ได้ไหมพิสูน์ทั้งหลายก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความสูงขึ้นแห่งยานอะไรเล้วจะพึงมีได้พระพิสูจ์ก็เออเ อ, อตามพระพุทธเจ้าหมดบอกเป็นไปไม่ได้พระเจ้าข่ามมีปัญญา ง, งอกอะไรหรอกมีอ่ะก็ความสูงขึ้นแห่งยานนั้นจักมีไม่ได้เลยซึ่งพูดอีกในหนึ่งว่าบทว่าอุสมีกักะโตปิความว่าพิสูจทั้งหลาย เธอเอ่อเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรหน้าสามรอยสองอริ tha พิษุมีลัทธิอย่างนี้มีความเห็นที่ขัดแย้งกับสัพพัญยุตยานปฏิเสธเวสารชายานประหารอาณาจักรของพระตถาคตถ้าพูดแบบเราเราเเรื่องนี้ไม่เป็นไรอริ t ธะเออแก้ไขกันนะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเป็นคนสมัยใหม่ที่แหมเป็นเหมือนคนมีเมตตาเนี่ยบอกเออไม่เป็นไรเนี่ยนะ ก็ถ้าบอกว่าทำไม่เป็นไรเนี่ยก็เหมือนกับว่าเออเธอไปขับรถประสบอุบัติเหตุมาแค่คอขาดเองไม่เป็นไรเอาหัวมาต่อเอาก็แล้วกันนะแล้ ว, ลวใช้ชีวิตอยู่ต่อไปมันพูดอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้เนี่ยพูดไม่ได้ฉันใดความเห็นของอริธาพิสุกก็เหมือนกันมันเป็นความเห็นที่คอขาดบาดตายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะความเห็นที่ขัดแย้งกับสัพพัญยุตยานปฏิเสธผัสสภาวะของความเป็น พระพุทธเจ้าปฏิเสธเวสารัชยานของพระพุทธเจ้าเช่นยานที่ทำให้พระองค์ถึงความแกล้วกล้าว่าสิ่งใดที่พระองค์ตรัสว่าเป็นอันตรายสิ่งนั้นเป็นอันตรายแก่ผู้ซ่อมเสพบได้จริงประหารอาณาจักรของพระพุทธเจ้าประหารอาณาจัก ร, ร, รกคืออะไรอาณาเทสนาคืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาทาลายาศาสนาพระพุทธเจ้า แม้เธอก็อบรมญาณนะอบรมปัญญาในธรรมวินัยนี้ได้บ้างเธออาศัยความอบรมญาณแม้มีประมาณน้อยพยายามพึงธรรมมรรคผลให้เกิดขึ้นได้บ้างเหมือนกองไฟใหญ่ที่จะพึงมีได้เพราะอาศัยลูกไฟแม้มีประมาณเท่าหิ่งห้อยในกองไฟใหญ่ที่ดับแล้วฉนะนั้นเหมือนกันคือยังไงจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่สามารถที่จะทําให้ปัญญาเจริญงอกเงยได้เพราะอะไรเพราะความเห็นตรงกันข้ามกับ พระพุทธเจ้ามันในในทางคําสอนของเราถือว่าถ้ามีความเห็นขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าอยู่คือเรียกว่าอยู่คนละฝ่ายกับพระพุทธเจ้าเป็นเป็นปฏิปักษ์กันเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าว่าขาวาพระพุทธเจ้าว่าขาวเขา ว, ว่าดําพระพุทธเจ้าว่าดําปีเลยอันนี้ใช้ไม่ได้เขาบอกขาวจั่วเลยเนียนคือคิดตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าทุกประการแบบนี้จะเจริญงอกเงยได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะภิกษุก็บอกว่านโอหิตังพันเตเป็นไปไม่ได้พระเจ้าข่าวังั้น คือภิกษุทั้งหลายกล่าวคัดค้านความที่อรอรถิธาภิกษุที่จะอบรมญานเพื่อประโยชน์แกม่มรรคผลที่มีปัจจัยเสมอกันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริธาภิกษุผู้มีลัทธิอย่างนี้จะอบรมสมถญานะวิปนะัสสนาญาณเพื่อบรรุมรรคผลอย่างนั้นได้แต่ที่ไหนกันก็แปลว่าไม่ได้แล้วความเห็นอันนั้นประทุสร้ายโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลเรียบร้อยแล้ว เรียว่าบอมเรียบ้อยแล้วนะถูกระเบิดก ร, รนะสูดดาบธรรมะเป็นต้นถูกระเบิดเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะความเห็นอันนั้นมันเลวร้า ย, ยมากระเบิดมรรคผลตัวเองเลยนะระเบิดอะไรมรรคผลทั้งมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งที่ตัวเองจะบ้ายบรร ล, ลุต่อไปในอนาคตทิฏฐิวิบัติประทุสร้ายทําลายตัวเองได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็เหมือนอะไรเหมือนคนบางคนที่ฆ่าตัวตายแล้วนะหมอจะเก่งขนาดไหนก็ตามถ้า ลมหายใจก็ไม่ออกหัวใจก็ไม่ปั๊มสมองก็ตายแล้วใครจะประชุมให้ฟื้นขึ้นได้ใช่ไหมบอกว่ายากฉันใดทิฐิของอริ tha ทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็บอกโอ้ยทให้งอกงามทําให้ฟื้นขึ้นไม่ได้หรอกเหมือนประสบอุบัติเหตุคอก็ไปที่ไ อ, อหัวก็ไปที่หนึ่งแขนก็ไปที่หนึ่งลำตัวก็ไปที่หนึ่งถึงจะเก็บเอาอะไรมาทั้งหมดนะมารวมกันบอกทายังไงก็ทําให้ฟืน้นไม่ได้หรอกแบบนั้น เพราะฉะนั้นเขาจะมีปัญญาได้มาแต่ที่ไหนพออริธะได้ฟังอย่างนั้นเข้านิ่งเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณนะอง่งอยเลยนะคือไม่คิดว่าตัวเองจะแหมมันพลาดขนาดนี้ไม่ขอเปลี่ยนความเห็นน ะ, ะเขาไม่เขาไม่เคยมีความคิดอะไความเห็นของเขาเนี่ยมันเลวร้ายนะเราต้องแก้ไขอัติฐิของเรานะไม่